รูปสองคือหนึ่งมหาภูตรโระ ค, คือรูปใหญ่สองอุปาทายรูปคือรูปอาศัยหรือรูปเล็กประการแรกขอให้ท่านทั้งหลายมาทำความเข้าใจกับคำว่ารูปเสียดก่อนคำว่ารูปในที่นี้หมายเอาสิ่งที่จะพึงชิบหายคือหมายถึงว่า สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะด้วยอำนาจวิโรที่ปัจจัยมีความร้อนเกินประมาณเย็นเกินประมาณหิวเกินประมาณกระหายเกินประมาณเป็นต้นหรือถ้าเราพูดโดยง่ายๆก็คือว่าในสิ่งที่จะพึงชิบหายที่ว่ารูปแปล ว, ว่าสิ่งที่จะพึงชิบหายด้วยปัจจัย ที่เป็นค่าศึกก็มีเย็นร้อนมีเย็นร้อนหิวกระหายเหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงทาให้รูปของเรานั้นไม่สามารถที่จะดารงอยู่ได้จึงต้องย่อยยับไป เ, เปลี่ยนแปลงไปไหลไปเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาทีนี้ถ้าหากว่า จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าในรูปที่เป็นสภาวะที่จะพึงชิบหายไปะด้วยความเย็นร้อนหรือว่าหิวกระหายอเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งอายตนะภายในห้าขั้งต้นถือว่าสิ่งอันเป็นวิสัยภายในห้าขั้งต้นคืออะไร ก็ค <unlucky. S 2> ือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปในเบญจขันต์นะเป็นรูปในเบญจขันต์สิ่งอันเป็นวิสัยและจัตสุตสิ่งอันเป็นวิสัยนะและจัตสุตเท่านั้นจัดเป็นรูปนะเป็นอวิสัยสิ่งอันเป็นวิสัยของจักสุตเท่านั้นจัดเป็นรูปนะจัดเป็นรูปในอาจารณะภายนอกรูปนั้นท่านจําแนกไว้เป็นสองคือหนึ่ง มหาภูตรูปหมายเอาเพียงร่างกายอันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมประชุมพร้อมเป็นรูปกายภายในเท่านั้นมิได้หมายเอากิริยาอาการของรูปนั้นด้วยอาที่ท่านจัดว่าเป็นมหาภูตรูปคือรูปใหญ่นั้น เพราะเป็นโครงร่างที่ประชุมแห่งมหาภูตรรปเมื่อธาตุทั้งสีนี้ยังคุมกันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งยังไม่แตกไปเพียงใดอุปทายรูปทั้งหลายก็ยังคงอาศัยอยู่ได้เพียงนั้นเมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งแตกดับไปอุปทายรูป ก, ก็เสื่อมสลายทำลายไปไม่มากก็น้อยฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นมหาภูตรรปคือรูปใหญ่ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายน่าศึกษาน่าคนา้นคว้าเพราะว่าพวกเราทุกวันนี้มาติดรูปกันเป็นส่วนใหญ่ติดรูปกันมากเพราะว่าในรูปนั้นน่ะมันมีอะไรที่ที่เราน่าศึกษานะแต่ก็เราไม่ได้ศึกษากันโดยท่องแท้ไปมองกันเพียนผิวเผิน นะมองกันเพียงผิวเผินฉะนั้นเราจึงจึงหลงรูปกันนะติดรูปกันอควายคว้าหารูปกันแล้วรูปภายนอกนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกพวกเราโดยมากมาปรงุงมาแต่งมาฉาบมาทาพูดง่ายๆก็คือว่าพยายามแต่งหลอกกันเหลือเกินนะแต่งหลอกกันทั้งนั้นทุวันขอประทานโทษ เพียงแต่หน้าคนตั้งแต่ตัดเอาคอออกไปเนี่ยในช่วงตั้งแต่ศีรษะมาถึงหน้านรู้สึกว่าเราแต่งหลอกกันมากไม่ได้มีคนหน้าเดิมอยู่เล ย, เ, ยเปลี่ยนแปลงหมดผมก็ที่มันจะงอกมันจะขาวเป็นธรรมชาติเราก็ไปยอมเสีไอคิ้วมันมีเราก็ไปโกนทิ้งแล้วก็เขียนใหม่ขนตามันมี เราก็ไปใส่ผลตาปลอมตาสะอาดเราก็ไปทำให้มันเปื้อนจมูกมันไม่โดงเราก็ไปเสริมถึงกับมีเรื่องมีราวเยอะไปเสริมแล้วก็เป็นมะเร็งก็มีจมูกยุบไปก็มีนี่ปากมันไม่แดงก็อยากให้แดงอืมไปเอาสีเอาะไรมาทานี่แก้มมันไม่แต่งตึงเราก็ พยายามไปสรรหาไปฉีดอะไรต่างๆนานาหรือไปดึงไปรัดอะไรก็แล้วแต่เมื่อสองสามวันมานี้ทางหมอเขาก็พูดออกทางทีวีว่าอะไรที่มันเป็นธรรมชาติสิ่งนั้นดีมากแล้วก็เหมาะแก่คนทุกคนด้วยเพราะว่าธรรมชาตินี้ได้สร้างให้คนเรามาสมดุลกันอยู่แล้วนะสมดุลกันอยู่แล้ว แต่เราไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่นะไม่ยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่ก็พยายามไปหาสิ่งที่มาชดเชยไอ้ที่เราเห็นว่ามันไม่ดีเหมือนคนอื่นเขามันไม่สวยเหมือนคนอื่นเขามันไม่งามเหมือนคนอื่นเขามันไม่หล่อเหมือนคนอื่นเขานี่แหละไอ้ตัวที่เราไปสาคัญตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้แหละทําให้เราต้องเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความกระววนกระวายนอนไม่หลับบางคนกินยาตายเพราะไอ้รูปของตัวเองนี่มันเรื่องอะไรกันขอให้ท่านลองพิจารณาดูมันเรื่องอะไรกันคนเราไม่ได้ดีอยู่ตรงนี้จุดสําคัญของคนเรานั้นอยู่ที่ว่าเรามีร่างกายสะอาดไหมนี่เพราะร่างกายคนเราทําให้สะอาดได้ หรือรู้จักรักษาสุขภาพดีไหมไม่ให้มันเป็นคนที่โรคไม่ให้มันเปื้อนสปกปรกนี่ภายนอกแล้วส่วนภายในคือจิตใจแล้วมีจิตใจสะอาดหรือเปล่านี่นี่อันนี้เราควรจะพิจารณากันไอ้เรื่องรูปร่างนะมันเป็นเรื่องนามารูปนามธรรมามันเป็นสภาวะมันเป็นธรรมชาตินะนคนที่เราว่ารูปสวยนะเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีตามที่สังคมอ่ เห็นก็ได้นะนี่ฉะนั้นก็ขอให้ท่านลองพิจารณาดูตัวเองเสียใหม่ว่ารูปภายนอกนั้นมันก็เป็นสิ่งสมมุตินะเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเมื่อเราไม่ติดรูปไม่ติดสมมุติเราก็จะเข้าใจสภาวะธรรม เมื่อเมื่อรูปของเราเกิดอุปสรรคขัดข้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปชำรุดทรุดโทมไปก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาของสิ่งมีชีวิตเป็นธรรมดาของสังขารเป็นธรรมดาของรูปจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการเกิดก็ต้องมีการดับอันนี้เป็นธรรมดานะแล้วก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นเอาพูดถึงเรื่องรูปอ่านะก็ถือว่า เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะศึกษานะควรจะศึกษาแล้วก็ไม่ควรเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นควรจะละควรจะวางนะเราก็จะสบายใจนะเราก็จะสบายใจที่นี้ก็มาดูถึงรูปที่สองก็คืออุปทายรูปนะอุปทายรูปนี่ได้แก่รูปย่อยๆนะรูปย่อยๆ หรือเป็นรูปอาศัยนะอุปทัยะเนี่ยแปลว่ารูปที่อาศัยอาศัยอะไรอาศัยมหาภูตรูปนะอาศัยมหาภูตรูปพูดง่ายๆก็คือว่ามหาภูตรูปเนี่ยเป็นโครงร่างนะเป็นโครงร่างใหญ่ภายนอกส่วนอุปทัยรูปนั้นเป็นรูปย่อยๆเป็นรูปภายในที่อาศัยโครงร่างของมหาภูตรูปอยู่อนะนี่พูดง่ายๆออืนะ เพราะมหาภูตรูปนั้นก็มีดินน้ำไฟลมนะมีดินน้ำไฟลมเนะี่ยถือว่าเป็นโครงร่างอันสำคัญที่ทรงทรงให้เราอยู่ได้น ะ, ะทรงให้เราอยู่ได้นะี่แต่ว่ารูปอาศัยนั่นแหละนะก็คือเข้าไปสิงอาศัยอยู่ในมหาภูตรูปนะ คือประเภทแห่งอุปทัยรูปนี้ในพระอภิธรรมสังฆาท่านจําแนกไว้ถึง25ชนิดนะจัดเป็น10หมวดอจัดเป็น10หมวดคืออะไรคืนหนึ่งหนึ่งภาษาทะห้าหรือภาษนะนะาทนี่ยภาษาทะโรคห้าพูดง่ายๆภาษาทรคห้า ภาษาทรูปผ้าก็คือสิ่งที่ให้สำเร็จความรู้สึกประสาทสิ่งที่ให้สำเร็จความรู้สึกระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกห้าคู่ข้างต้นอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจว่าภาษาทรูปผ้าคือสิ่งที่ให้สำเร็จความรู้สึก ให้รู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่มันรู้สึกยังไงเช่นหนึ่งจกักขุปสาทพูดง่ายๆก็คือประสาทตาจากักรคุปสาทก็คือประสาทตาประสาทตานี่แหละสิ่งที่ให้สำเร็จในการเห็น ประสาตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้สำเร็จในการเห็นตัวจักษุประสาทนั้นท่านได้บรรยายว่ามีสันฐานเป็นวงกลมเล็กประมาณเท่าสีสะเหาหรือหัวเหาพูดง่ายๆเล็กนิดเดียวตั้งอยู่ในวงตาดำทั้งคู่ข้างละเม็ด เมื่อตามองเห็นวัตถุสิ่งใดจกักขุประสาสย่อมดูดดึงเอาวัตถุสิ่งนั้นเข้ามาติดตาดันเหมือนเงาที่ติดอยู่ในกระจกจึงเกิดความรู้สึกขึ้นเห็นรูปได้ในที่ไกลและในที่ใกล้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนตามกำลังแก่กล้าหรือว่าย่อนยานแห่งจักสุประศาสถ้าจักรสุประสาสพิการ เช่นตาบอดตาใสาหรือตามีวัตถุกำบงังก็ไม่สามารถให้สำเร็จจกักขุวิญญาณตามความรู้สึกทางตาได้เพราะหมดความสามารถและเกินกำลังของจักรสุปะสสตร์อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่น่าน่าคิดมากเพราะเรื่องเรื่องตานี้เหมือนกันฉะนั้นบางคนนี่ก็สายตาสั้น ก็ต้องใส่แว่นเวว์นะสายตาสั้นใส่แว่นเว้าวถ้าสายตายาวก็ต้องใส่แว่นกระจกนูนนะกระจกนูนบางคนก็ใส่ใส่สองอันนะทั้งสั้นทั้งยาวอ่านหนังสือดูใกล้ดูใกล้ก็อีกอันหนึ่งยุ่งไปหมดเลยบางคนต่อต้องใช้แว่นหลายๆอันนะอันนี้มันก็ ไม่เหมือนกันนะเรื่องจากปารปรปสะนี่ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วการดูอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำเร็จอยู่ที่ตานะสาเร็จอยู่ที่ตาเราจะไปเอาอยางอื่นมาดูไม่ได้ตาเป็นใหญ่ในการดูเนะี่ฉะนั้นก็พูดได้เลยว่าจากักขประสาทคือสิ่งที่ให้สำเร็จในการเห็นข้อสองโสตะปตระสทก็คือประสาทหูนะ ประสาทหูหรือว่าสิ่งที่ให้สําเร็จในการฟังโซนประสาทเนี่ยที่เราเรียกว่าโซนประสาทคือสิ่งที่ทําให้สําเร็จในการฟังตัวแห่งโสนประสาทนั้นท่านพรรณาว่ามีสันฐานเป็นรูปเป็นรูปวงกลมคลอดเหมือนกับวงแหวนสีแดงอ่อนตั้งอยู่ภายในช่องหูทั้งสองข้างข้างและวง เมื่อมีเสียงอะไรเข้าไปกระทบโสตประสาทจึงสำเร็จการฟังซึ่งเรียกว่าโสตวิญญาณหรือว่าโสตะวิญญาณความรู้สึกทางหูถ้าโสตประสาทพิการมีกำลังหย่อนหรือว่าชาไปก็ดีเช่นคนหูหนวกหูตึงย่อมไม่สำเร็จในการฟังได้หรือกระแสเสียงไกลเกินกว่ากาลังก็ไม่สาเร็จ ในการฟังได้แต่นั้นคนโบราณจึงบอกว่าหูอะไรจะมาไวอย่างหูสุนัขไม่มีสุนัขในหูไวมากมันสามารถที่จะฟังเสียงที่ที่มนุษย์เราฟังไม่ได้ยินเนี่ยมากได้ได้เกินไปถึงห้าเท่านะได้เกินไปถึงห้าเท่า คือที่เราฟังไม่ได้ยินสุนัขมันได้ยินนะมันได้ยินฉะนั้นหูดีมากอแล้วแล้วคนโบราณบางทีเวลาจะรบทับจับศึกนี่จะฟังเสียงม้าศึกเสียงอะไรนี่เขาจะนอนเอาหูแนบแนบกับพื้นดินนะเพราะพื้นดินเนี่ยมันเกิดความสั่นสะเทือนเราจะทำให้เราเนี่ยได้ยินไวนะรู้ว่ามีข้าศึกกำลังมาหรือเปล่านี่ฉะนั้น หูโสตประสาทนี่นะถือว่าเป็นสิ่งให้สำเร็จในการฟังถ้าโสตประสาทไม่ดีเสร็จแล้วก็หมดถ้าเรียกว่าคนหูตึงคนตาบอดคนหูตึงอย่างนี้มันก็น่าสงสารในตาบอดได้ใจเห็นแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเรียกว่าเวลาเขาจุดพลุก็เห็นแต่พลุแต่ไม่รู้หรอกว่าพลุนั้นมันดังหรือเปล่าไม่รู้เพาหูตึง ไอคอนหูตึงเหมือนกันอ่ไอคอนตาบอดเหมือนกันไม่เห็นชุกมันขึ้นสูงหรือว่าตามแค่ไหนแต่ได้ยินแต่เสียงนะได้ยินแต่เสียงนี่แหละที่ว่ามันไม่สมดุลกันนะไม่พอดีกันแต่ว่าธรรมชาติก็แปลกบางครั้งเนี่ยคนตาบอดเนี่ยมีประสาทหูดีมากจมูกดีมากสามารถพิสูจนกลิ่นได้ ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังหรือเคยได้เห็นคนตาบอดเนี่ยสามารถที่จะขายรตเตอรี่รู้ด้วยว่าเราต้องการเลขอะไรเขาหยิบได้ ท, ทันทีนี่มันก็เป็นเรื่องแปลกหยิบได้ทันทีถอนสตังได้รู้ว่าเป็นแบ่งสิบแบ่งยี่สิบแบ่งร้อยเนี่อรู้ด้วยนะเนี่ยเรียกว่าการสัมผัสประสาทของนี่ไวมากนี่ไวมากแล้วรู้ด้วยว่ารถเมย์สายไหนเนี่ยมันมีกลิ่น นะจำกลิ่นได้นี่ฟังเสียงออกนี่เก่งมากมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะอันนี้ผู้ผู้บรรยายได้เคยไปพบคนตามบอร์ดคนหนึ่งแกสามารถออกไปดักสัตว์ได้นะไปดักปลาในทุ่งนาได้ไปลงเบ็ดได้นี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งทีแรกฟังดูแล้วก็แทบไม่เชื่อแล้วก็เห็นตัวเขาด้วย แล้วก็ถามคนอื่นเขาบอกจริงไหมบอกว่าจริงๆข้าวในนาออกรวงเนี่ยเขาเดินไปถามบอกไปไหนมาบอกว่าไปดูข้าวในนาแล้วถามบอกปีนี้เป็นไงบอกปีนี้ก็รู้สึกว่ารวงดีกว่าปีที่แล้วนี่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อทําไมเขาจึงว่างั้นเพราะเขาเอามือไปสัมผัส ด, ดูว่าปีนี้รู้สึกว่ามาเล็ดมากรวงออกมากบางครั้งก็ขึ้นไปหายลูกไม้ตามต้นไม้ได้ เนี่ยมันก็บางครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะฉะนั้นพวกนี้ก็ถ้าเขาได้รับการฝึกอะไรมาแล้วก็เราเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเหมือนกันนะน่าอัศจรรย์มากฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของตาหูนะใ้มาในข้อที่สามก็คือคานะประสาทคือสิ่งที่ให้สําเร็จในการดมนะสิ่งที่สําเร็จในการดมก็คือจมูกนั่นเองนะคานะเดียกวบจมูก คานะประสาทคือสิ่งที่สำเร็จในการดมตัวแห่งคานะประสาทนั้นท่านพรรณนาไว้ว่ามีสันฐานดังกีบแพะคือมีมีรูปคล้ายๆกับกีบแพะมีสีขาวคล้ายกับกระจกตั้งอยู่ในช่องจมูกทั้งสองทั้งสองข้างข้างละอันเมื่อมีกลิ่นอะไรเข้าไปกระทบคานะประสาทจึงสำเร็จการดมได้ซึ่งเรียกว่าคานวิญญาณ คือความรู้สึกทางจมูกถ้าคานาประสาสติการหรือว่ามีกําลังหย่อนไปเช่นคนเป็นลิธิดดวงจมูกหรือว่าเป็นหวัดย่อมไม่สําเร็จในการดมแม้จะได้กลิ่นบ้างก็ไม่เต็มที่เหมือนปกติถ้ากลิ่นอยู่ไกลเกินไปคานาประสาสต ก, ก็มีกําลังมีกําลังพอก็ไม่อาจจะให้สําเร็จมีกําลังไม่พอก็ ไม่สามารถจะให้สําเร็จในการดมได้ฉนะนั้นเรื่องจมูกนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งสําคัญประการที่สี่ชิวหาประสาทคือสิ่งที่ให้สําเร็จในการลิ้มรสชิวหาเลยแปลว่าลิ้นนะประสาทเล้นเะล้นเนี่ยมันเป็นที่รวมประสาทนะเป็นที่รวมประสาทหมดนะรสเปรี้ยวหวานมันเค็มนะี่เรารู้นะเรารู้รู้ได้ด้วยการล้นของเรานี่เอง ฉะนั้นจึงบอกว่าชิวหาปราสาทนี้คือสิ่งที่ให้สำเร็จในการลิ้นรสนะในการลิ้นรสทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ซึ่งพวกเราลิ้นแล้วเราก็ไม่ต้องบรรยายเป็นที่ว่าเรารู้จักกันว่าลิ้น ม, มีลักษณะอย่างไรนะมีลักษณะอย่างไรฉะนั้น ลิ้นของเรานี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากไวต่อความรู้สึกมากนะฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีลิ้นแล้วก็จะไม่ได้รับรู้รสอะไรทั้งสิ้นและพูดก็จะไม่ชัดด้วยนะพูดก็จะไม่ชัดฉะนั้นเรื่องลิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญนะที่สุนทรผู้ท่านได้บอกว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ล้มปากจะได้ย่าโหยหิวเพราะชิวหา นี่ว่าจะได้ยากโหยหิวเพราะชิ้วหาแม้นพูดดีมีคนเอาเมตตาจะพูดจาจงวีเคราะห์ให้เหมาะ่านี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของลิ้นมาที่ห้าก็คือกายประสาทคือสิ่งที่สําเร็จในการถูกต้องนี่กายประาส์ประศาส์กายคือร่างกายพูดง่ายๆสิ่งที่สํสำเร็จในการถูกต้องกายประศา ท, า ท, าาาาาท น, าาาทนี้ท่านพรานาว่ามีสันฐานเหมือนกับสัมฤชุบด้วยน้ำมัน มีสีขาวและก็ใสตั้งอยู่ทั่วรัพังกายเมื่อมีของอะไรอ่อนหรือแข็งมากระทบกายประสาทจะนสาเร็จในการถูกต้องซึ่งเรียกว่ากายวิญญาณความรู้สึกทางกายถ้ากายประสาทิการหรือชาไปเช่นเป็นลมอมาาัมพาตหรือว่าเหน็บชาก็ไม่อาจจะรู้สึกการถูกต้องได้ฉะนั้นทุกวันนี้คนเรารู้สึกว่า เป็นโรคเน็บชากันมากเป็นอัมพาตกันมากฉะนั้นข้อนี้เราจะต้องบริหารร่างกายกันมากๆากานนั่งนานๆหรือคิดมากๆเนี่ยก็จะทําให้เป็นเน็บชาหรือว่าเป็นอัมพาตได้นะเป็นอัมพาตได้นะเส้นประสาทหลุดเส้นประสาทปล่อยหลุดที่จอประสาทฉะนั้นเราจะต้องบริหารร่างกายให้มากนะจึงจะเกิดประโยชน์ฉะนั้นประสาทห้านี้เรียกสั้นๆอีกอย่างหนึ่งว่า จกักขุโตตะคานะคิวหากายอจกักขุก็คือตาโสดก็คือหูคานะก็คือจมูกคิวหาคือลิ้นกายคือใจฉะนั้นเรื่องตาหูจมูกลิ้นอากายเหล่านี้เราจะต้องรักษาอาให้ดีนะให้ดีก็ราะาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอภระการที่สองก็คือโคจรหรือโคจระคืออารมณ์ห้าอย่างอันเป็นวิสัยแห่งอาจนะภายภายนอกห้าเบื้องต้น คือหนึ่งรูปอันเป็นวิสัยแห่งจักขคู่นะรูปอันเป็นวิสัยแห่งจักขคูก็หมายถึงว่ารูปน่ะมันเป็นทางทางที่ตาดูตาเห็นนะเสียง <pir im less> ขอสองเ ส, สียงอันเป็นวิสัยแห่งโสตนะเสียงอันเป็นวิสัยแห่งโสตก็หมายถึงว่าหูน่ะมีหน้าที่ในการฟังเสียงอหูมีหน้าที่ในการฟังเสียง สามป็นอันเป็นวิสัยแห่งคารนะอ่ะจะโมกว่ากั้นเถอะว่าจะโมกนะ่ะอ่าสำหรับไว้ดมเป่นอ่าดมเป่นสี 4, รถอันเป็นวิสัยแห่งคิวหาอ่ารถเต้าหวานมันเข็มเรลินกระทบเข้ารู้ห้าโพัพภะอันเป็นวิสัยแห่งกายนะแต่โพธพภะนั้นท่านนับเอาเพียงหนึ่งคือดินน้ําไฟลมนะดินไฟลมไม่มีน้ําถือว่าเป็นอันเดียวกันยกน้ําออกเสียเพราะ น้ำที่แท้นั้นเป็นของละเอียดยิ่งนักไม่สามารถจะถูกต้องได้ด้วยการโคจรห้ากับอายาจัภายนอกห้าเมื่อเรามองดูเพนิน ก, ก็จะเห็นว่าเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงท่านไม่ได้หมายเพียงเท่านั้นหมายเอาอาจัเหล่านัน้นกระทบประสาทอันเป็นทางมาซึ่งในขณะนั้นเรียกว่าโคจรเช่น รูปมากระทบจากภู菩萨เรียกว่ารูปโครจรเสียงมากระทบโตสตประส菩萨เรียกว่าสัทธโครจรเป็นต้นอันนี้ท่านอาจฟังแล้วก็จะรู้สึกงงนะอาจจะรู้สึกงงได้คาว่าโครจร น, นี่พูดง่ายๆอย่า ง, า ง, างนึงก็คือว่าการเที่ยวไปอย่างโคนะเที่ยวไปอย่างโคเที่ยวยังไงอย่างโคโคเนี่ยที่เรา เราคนเลี้ยงโคเนี่นะปล่อยปูงโคออกจากอคอกไปมันก็เที่ยวไปใกล้ๆกลก็แล้วแต่แล้วมันก็จะวงกลับเข้ามาที่เดิมคือมาสู่อกที่เดิมนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะในในเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรดนี่นะรูปเสียงกลิ่นรดนี่แหละสิ่งเหล่านี้ถือว่ามันเป็นโคจอนนะเป็นโครจรระหว่างอาณาณะ อ่าภายในกับอายนะภายนอกมันเป็นโครจรกั น, นตาเราเห็นรูปและไอ้ตาเนี่ยแหละรูปที่อยู่ใกล้ไๆเราก็เทนมองออกไปแล้วก็ดึงเอาเข้ามา น, นี่ยดึงเอาเข้ามามันเหมือนกับว่าไอ้โคเนี่ยมันออกไปแล้วมันก็เข้ามาสู่ที่เดิมไอ้ตามันกันเราไปเห็นไอ้สิ่งที่มันใกล้ๆอะไรที่ไหนทั่ว ร, บรอบๆตัวเราแล้วก็ดึงเอาเข้ามาอีกนิดดึงเอาเข้ามาเขาเรียกนี่ว่าโครจรนี่สิ่งเหล่านี้มัน ลักษณะมันเหมือนกับว่าการการเที่ยวไปแห่งโควงว่าไนเถอะถึงจะไปสูท่ที่หากินในที่ใกล้ๆอย่างไงก็จะต้องลงกลับมาที่เดิมนี่เรียกว่าโครจรฉะนั้นเสียงก็เหมือนกันที่ว่าสัตธ์โครจรก็คือเป็นที่เที่ยวไปการโครจรของเสียงเสียงในหูมันเราจะได้ยินใกล้ๆมันก็เข้ามาที่หูทางนั้นเสียงใกล้ก็เข้ามาที่หูเสียงไกลก็เข้ามาที่หูออันนี้เรียกว่า เป็นโคเป็นสัทธะโครจรในอย่างอื่นก็ถือว่าในธรรนองเดียวกันนะในทรรนองเดียวกันคือพึงให้เข้าใจว่าจากตุปาษาที่เรียกว่ารูปโครจรก็ให้พึงเข้าใจว่าท่านมิได้หมายเอาอายตนะภายนอกห้าข้างต้นโดยตรงนะไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นคือทั้งหมายเอาอารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นขณะที่มากระทบ กับอายุตนะภายในซึ่งเป็นทางมาที่เป็นทางมาเรียกว่าโครจรเรียกว่าโครจรตัวอย่างเช่นโลกมากระทบกับจักรตุปตระสัทก็เรียกว่ารูปโครจร อ, อย่างนี้เองมาในในข้อที่สามข้อที่สามก็คือภาวะภาวะภาวะก็คือหมายเอาเพศแห่งอุปาทินกะสังขาร ได้แก่เพศแห่งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนะได้แก่เพศแห่งมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานแบ่งออกเป็นสองเพศคือหนึ่งอิทธีภาวะความเป็นหญิงสองปุริสภาวะความเป็นชายนะความเป็นชายฉะนั้นทั้งสองอย่างนี่แหละก็เป็นเรื่องของภาวะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าความมีความเป็นหมายเอาเพศนะหมายเอาเพศให้เรารู้ว่านี่เป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้ชายนะเรารู้อย่างนี้ฉะนั้นได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอารคสองมหาภูตรูปก็ดีอุปทายโรูปก็ดีก็ยังไม่จบบริบูรณ์เอาไว้ต่อในหน้าสองต่อไปฉะนั้นใน หน้านี้ก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรวันนี้ก็จะได้พูดถึงในหัวข้อว่ารูปสองต่อจากคราวที่แล้วเพราะคราวที่แล้วนั้นก็ได้พูดไปถึงมหาภูตรูปจบไปแล้วก็อุปาทายรูป อีกนิดหน่อยฉะนั้นวันนี้ก็ขอท้าวความเดิมอีกนิดหน่อยว่ารูปสองก็ได้แก่หนึ่งมหาภูต ร, รูปคือรูปใหญ่สองอุปทายรูปคือรูปอาศัยรูปก็คาว่ารูปได้แก่สิ่งที่จะพึงชิบหายด้วยปัจจัยที่เป็นฆาสึกมีความเย็นความมีความเย็นความร้อนหิวกระหายเกินประมาณเป็นต้น ฉะนั้นท่านจำแนกออกไปเป็นสองคือมหาภูตรูปมหาภูตรูปก็ได้แก่ร่างกายอันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมมาประชุมกันเป็นรูปกายภายในเท่านั้นมิได้หมายเอากิยาอาการของรูปนั้นด้วยแต่ที่ท่านจัดว่าเป็นมหาปูตรูปคือรูปใหญ่นั้นเพราะเป็นโครงร่างที่ประชุมแห่งมหาภูตรูป เมื่อท่าทั้งสี่ยังคุมกันอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งยังไม่แตกไปฉันใดอุปาฏายรูปทั้งหลายก็ยังคงอาศัยอยู่ได้เพียงนั้นแต่เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งแตกดับไปอุปัายรูปก็เสื่อมตลายทาลายไปไม่มากก็น้อยฉะนั้นฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นมหาภูตรูปคือรูปใหญ่ ส่วนอุปทายรูปได้แก่รูปย่อยๆคือรูปอาศัยหมายถึงว่าสิ่งอาศัยอยู่กับมหาภูต ร, รูปประเภทแห่งอุปทายรูปนี้ในพระวิธรรมสังะหะท่านก็จำแนกไว้ถึงยี่สิบห้าชนิดแต่ว่าจัดเป็นหมวดไว้สิบหมวดคือหนึ่งภาษาทะรูห้าคือ สิ่งที่ให้สําเร็จในความสิ่งที่ให um ้สําเร็จความรู้สึกระหว่างอาจตนะภายในและอาจจนะภายนอกหคู่ข้างต้นคือหนึ่งจักรุประสาสตสิ่งที่ให้สําเร็จในการเห็นสองโสตประสาทสิ่งที่ให้สําเร็จในการฟังสามคานะประสาสตสิ่งที่ให้สําเร็จในการดมสีชิวหาประสาทสิ่งที่ให้สําเร็จในการลิ้มรส ห้ากายประสาทสิ่งที่าสาเร็จในการถูกต้องประสาททั้งห้านี้ก็คืออายตนะภายในห้าข้างต้นหรือเรียกสั้นๆว่าจักขุโซตะคานะชิวหาไกา่ตาหูลิ้นตาหูลิ้นจมูกตาหูลิ้นตาหูจมูกลิ้นกาย นะตาหูจมูกเลนกายแล้วก็มาในข้อที่สองก็คือโคจรหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าโคจรห้าหรืออารมห้านะคืออารมห้าได้แก่สิ่งอันเป็นวิสัยแห่งอายตนะภายในห้าข้างต้นรูปนะเรียกว่ารูปารนะอารมนะอารมณ์คือสิ่งที่เป็นวิสัยแห่งจัสุร คือหมายถึงว่าไอ้รูปเนี่ยมันเป็นมันเป็นทางที่จะให้ตาเห็นนะที่ทำให้มองเห็นให้ตาเห็นเกิดความรับรู้เกิดความรู้สึกทางตา <c oughs> ก็เช่นว่าจักขูวิญญาณนี่รู้สึกทางตาว่ารูปนั้นดีไม่ดีรูปนั้นสวยไม่สวยนั่นเป็นรูปของใครที่ทำให้เราจําได้นะจาได้รูปเด็กรูปผู้ใหญ่ รูปคนไทยรูปคนจีนรูปคนแขกอะไรก็แล้วแต่หรือสีแดงสีดำสีเหลืองอะไรก็เรารู้นี่ตาเนะนียเรียกว่าตาข้อที่สองจัต ธ, ธารมอารมณ์คือสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งโสตนะก็หมายถึงว่าเสียงนี่แหละมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้ให้หูได้ยินได้ฟังนะให้หูได้ยินได้ฟังมีแต่หูไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเราก็ไม่ได้ยินอะไร ไม่ได้ยินหรือบางครั้งเช่นว่าเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยเขาพูดข้างนอกเราก็ไม่ได้ยินนะมันจะต้องมีเสียงมอีอากาศอะไรเข้ามานะฉะนั้นที่บอกว่าสัตธารมคือสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งโโตัดข้อสามก็คือคันธารมสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งคานะนะสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งคานะคือหมายถึงว่า กลิ่นเนี่ยทําให้จมูกของเราได้หยินว่าขอพระทานโทษทําให้อาจมูกของเราได้รับรู้ว่าเป็นกลิน่นเหม็นกลิ่นหอมอะไรนี่รู้นะนี่เป็นกลิ่นของน้ําหอมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นี่เป็นกลิ่นของคนนั้นกลิ่นี้อันนี้เรารู้นะเรื่องกลิน่นกลิน่นเหม็นกลิ่นหอมนี่เราจะรู้นะนี่ก็อาศัยเรียกว่าคันพารมข้อสี่ก็คือ ร, าารักษาลมก็คือสิ่งอันเป็นวิสัยแห่งชิวหา ก็หมายถึงว่าอารมณ์คือสิ่งที่ทำให้ลิ้นเราได้รู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรนี่ก็อยู่ที่ลิ้นทั้งนั้นข้อห้าก็คือปรดพารมณ์สิ่งอันเป็นวิสัยแห่งกายแห่งการสัมผัสการถูกต้องนะการสัมผัสการถูกต้องในทั้งหมดนี้ <c oughs> บางทีก็เรียกว่าเป็น เรียกว่าอ ท, ที่เรียกว่าอารมณ์ก็เรียกเรียกว่าโคจรก็เรียกนะที่บางที่เขาเรียกว่าอรูปโคจรนะบางทีก็เรียกว่าเป็นรูปโคจรไปนะหรือก็าบางทีก็เรียกว่าอสัตธโคนะจรนะคันธโคจรรัศกาโคจรโพธิภะโคจรนี่บางทีก็เรียกอย่างนั้นแต่ที่โพธิภะท่านนับเอาเพียงสามคือไม่นับสี่ หมายถึงว่าในดินเราถ้านับสีก็ดินน้ำไฟลมแต่นี้ตัดน้ำลงไปนะเหลือแค่ดินไฟลมยกเอาน้ำออกเสียนะเอาน้ำออกเสียเพราะว่าในสภาวะของน้ำที่แท้จริงนั้นมันเป็นของละเอียดยิ่งนักไม่สามารถที่จะถูกต้องด้วยกายใจได้นะอันนี้แหละเป็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องโคโจรหรือเรื่องอารมณ์ทั้งห้านี้มาในข้อ อขอเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าเกี่ยวกับเรื่องโคโจรหานี้หมายเอาอารมณ์ทั้งห้าอย่างนั้นขณะที่มากระทบกับอายตนะภายในซึ่งเป็นทางมาเรียกว่าโคโจรนะเรียกว่าโคโจรทีนี้มาในข้อที่สามคือภาวะนี่คราวที่แล้วก็ได้พูดมาถึงข้อนี้นะแต่ท่านที่พูดมาข้างต้นนั้นเป็นการเท้าความนะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังประติดประ ต, ต, อ, ตอกันมา มาถึงภาวะภาวะนี่หมายถึงเอาเพศแห่งอุปาทินากะสังขารได้แก่เพศแห่งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานใ้คําว่าอุปาทินากะสังขารนี่ก็หมายถึงว่าสังขารที่มีใจครองก็พูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่มีชีวิตนะสิ่งที่มีชีวิตท่านแบ่งออกเป็นสองเพศคืออิฐีภาวะความเป็นหญิงปุริสภ า, าวะความเป็นผู้ชาย ประการที่สี่คือหัตยะหรือพูดง่ายๆว่าหัตถัยนะหัตถัหมายเอาสิ่งที่ให้สําเร็จในความคิดสิ่งที่ให้สําเร็จในความคิดสิ่งที่ให้สําเร็จความคิดนี้สมัยโบราณเข้าใจว่าหัวใจเป็นบอกเกิดแห่งความคิดอ่านบุคคลจะดีหรือชั่วก็อาศัยใจ แต่ว่าสมัยนี้เรียกว่าสิ่งที่ให้สําเร็จในความคิดนั้นเขาเรียกว่ามันสมองนะมันสมองอันเป็นที่รวมแห่งประสาททั้งหลายเป็นบ่อกเกิดแห่งความคิดอ่านอันมาจากประสาทต่างๆมีจกักรุประสาทเป็นต้นนี่นี่พูดถึงสมัยนี้แต่ว่าสมัยก่อนก็ <c oughs> ของแท้ก็คือว่าภาษไทยก็หมายถึงว่าสิ่งที่ให้สำเร็จในความคิด ได้แก่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งอซึ่งพิเศษกว่าก้อนเนื้อธรรมดาหรือได้แก่ความเข้าใจของคนว่าก้อนเนื้อหัวใจนั่นเองอนี่ที่เรียกว่าหัดไทยเรียกว่าหัดไทยบางที่ก็เรียกว่าหัดไทยบางที่ก็เรียกว่ารฤทัยบางที่ก็เรียกว่าใจอบางที่ก็อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างนะห้า มาในข้อที่ห้าก็คือชีวิตติณรีหมายเอาความเป็นแห่งแห่งรูปชีวิตติณสีนี่หมายเอาความเป็นแห่งรูปหรือสิ่งที่รักษารูกให้เป็นอยู่ตัวอย่างเช่นมนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ต้นไม้ยังยังยังเป็นอยู่ชื่อว่ามีอินทรีย์จะชี้ลงไปตรงๆว่าอะไรเป็นชีวิตติทสีไม่ได้ รูปทำ ร, ปรูปรูปประธรรมดำรงความเป็นอยู่ได้ด้วยภาระอันใดภาระอันนั้นจัดเป็นชีวิตติณรีนี่จัดเป็นชีวิตติณรีฉะนั้นในชีวิตติณสีก็หมายเอาความเป็นอยู่แห่งรูปหรือสิ่งที่รักษารูปให้เป็นอยู่มีมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่อะไรเหล่านี้เป็นต้ น, นมาในข้อที่หก ก็คืออาหารอาหารระเลยนะอาหารหมายเอาโอชาที่ซึมซาบเข้าไปทั่วสารพางกายจากเขาเรียกว่ากาวลลงการาหันนะกาวเลงกาลาหา ร, นะ ร, าหารอันบุคคลที่บริโภคไปเป็นเครื่องรักษาร่างกายให้มีกำลังไม่อิดโอย เมื่อบุคคลเรารู้สึกหิวหรืออ่อนเสียในขณะใดขณะนั้นก็พึงเข้าใจว่าโอชะย่อมบกพร่องลงท้านานเข้าหมดโอชะก็ต้องตายแม้ต้นไม้ก็เหมือนกันก็มีอาหารเหมือนกันถ้าโอชะย่อมซึมซาบอยู่ตลอดลำต้นต้นไม้ก็อยู่ได้ถ้าต้นไม้ปราศจากโอชะก็ตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกัน ฉะนั้นอาหารนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นสิ่งสาคัญที่ทางแพทย์เขาก็บอกว่าถ้าคนเรารู้จักบริโภคอาหารตามตามสัดส่วนหรือว่าตามประเภทนะตามประเภทถูกต้องแล้วก็รู้จักบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์แก่ร่างกายแก่ชีวิต ก็จะทำให้ชีวิตของคนเรานั้นมีความสมดุลกันคือหมายความว่าทำให้ชีวิตของเราราบเรื่อไม่ค่อยมีโรคมีภัยแต่ที่ที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บปีเบียนกันมากนี่ส่วนใหญ่แล้วเราบริโภคอาหารกันไม่ถูกไม่ครบตามหมู่ที่เขาแบ่งไว้นะไม่ครบตามสัดส่วนที่เขาแบ่งไว้ คือสัดส่วนที่เขาแบ่งไว้มันจะต้องมีครบทั้งห้าหมู่จะเป็นตั้งแต่โปรโตีนพวกคาร์โบไฮเดรตพวกเกลือแร่น้ำตาลพวกผลไม้อะไรนี่เราจะต้องมีแต่ทีนี้อันนี้มันก็พูดยากนะคือเศรษฐกิจของแต่ละท้องที่ท้องถิ่นของแต่ละภาคนั้นก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแล้วตามชนบทของเราบางทีก็ไม่เคยได้รับความรู้เรื่องนี้ก็รู้ตามที่ครูบาอาจารย์สอนกันไป สอนแล้วผ่านหูผ่านตาก่อนเลยกันไปนะไม่ได้เก็บเอามาคิดอะไรก็รู้แต่ตอนที่ฟังแค่นั้นเองฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญหนังสือพิมพ์จึงได้ลงว่าเมืองไทยเรานี่มีเด็กขาดอาหารมากนะเมื่ออาหารไม่เพียงพอต่อสุขภาพร่างกายก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นอ่อนแรงนะไม่มีกําลังวางใา ลอยให้มันสมองนะทึบไปหมดจิตใจก็อ่อนแรงลงความนึกคิดอะไรมันก็ช้าล้าหลังสมองก็ล้าไปหมดไม่ดีนี่เป็นโรคขาดอาหารแล้วแล้วรับประทานอาหารกันก็ไม่ถูกสัดส่วนไม่ถูกมูตามที่เขากำหนดไว้คือโดยมากพวกเราก็ได้อย่างไรก็ กินกันอย่างนั้นพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าตามมีตามได้ออตามมีตามได้บางครั้งอาหารนั้นย่อยยากเกินไปนะบางครั้งอาหารนั้นก็เป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพนะต่อสุขภาพนะหรือว่าบางครั้งก็อิ่มมากกินมากเกินไปบางครั้งก็น้อยเกินไปเนี่ยมันไม่พอ ด, ดีนะก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นก็พลอยต้องซุดโทมไปด้วย ลดท่งไปด้วยแต่ถ้าเราได้รับทานอาหารดีเนี่ยจะทำให้เรานั้นมีกำลังวังชาดีมีจิตใจเข้มแข็งแรงสมบูรณ์มีมันสมองอเฉียบแหลมมีสติปัญญาว่องไวคิดอะไรก็ปลอดโปร่งนี่ันั้นเรื่องอาหารนี้ก็จึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากนะเป็นสิ่งสาคัญมากฉะนั้นเมื่อพูดถึงอาหารก็อยากจะ กรตุต้นเตือนให้นักเรียนนักศึกษาก็ต้องถือว่ามีบทบาทสำคัญสิ่งที่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอาหารนะขาดอาหารไม่ได้สัพเพสตตาอาหารรติกาสัตมีชีวิตทั้งหลายดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารขาดอาหารก็ตายนะอาหารนั้นก็มีทั้งอาหารกายอาหารใจอาหารกายก็บริโภคเข้าไปก็เพื่อไปซ่อมแซมส่วนสึกหรอหรือทาเพิ่มให้เรามีพละกําลัง มีความเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์อาหารใจก็ได้แก่คุณธรรมคือคุณงามความดีหรือว่าธรรมะต่างๆเราจะต้องนำไปศึกษานำไปประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเพื่อทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสำนึกรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอะไรควรไม่ควรรู้จักยับยัง้งชั่งใจให้เหมาะสมให้ถูกต้องกับกาลเทศะ ก็จะทําให้ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นมีสมรรถภาพแข็งแรงสมบูรณ์และก็สมดุลกันด้วยมาประการที่เจ็ดเกี่ยวกับเรื่องอากาศหรืออากาศธาตุอากาศธาตุหรือว่าอากาศนี้หมายเอาอากาศคือสิ่งที่ขังอยู่ในช่องว่างที่เป็นอากาศที่ละเอียดที่สุดไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยสายตา แต่จะรู้ได้ด้วยการสัมผัสเท่านั้นที่ว่างมีประมาณเท่าใดอากาศก็ย่อมมีอยู่ในที่นั้นประมาณเท่านั้นในที่นี้หมายเอาอากาศสาศัทธาซึ่งมีอยู่ภายในช่องว่างในตนได้แก่ที่ขังอยู่ในช่องหูบ้างช่องจมูกบ้างช่องปากบ้างและระหว่างแหงสริระอวัยวะอันเป็นส่วนภายในในที่นี้เรียกว่าปริเฉ ท, ทรูป นะปริเฉ ท, ทรูปก็เรียกนะเรียกอย่างนั้นฉะนั้นอากาศธาตุนี้ก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าหมายถึงเอาสิ่งที่ขังอยู่ในช่องว่างนะในร่างกายซึ่งมีอากาศที่ละเอียดนะเรียกว่าสุขุมนะสุขุมมารูปมันเป็นสุขุมมารูปเป็นรูปอละเอียดยิ่งนะักไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยสายตาก็จะรู้ได้โดยการสัมผัสนะด้วยการสัมผัสนะ อันนี้เมื่อเราอยากจะทราบว่าอาอาว่าอากาศจะธาตุเป็นอย่างไรอันนี้เราทดลองได้ก็ให้เราเอากระบอกไม้ตัดหัวท้ายให้เสมอกันเข้าแล้วก็เอาข้างหนึ่งเนี่ยกดลงในน้ําแล้วก็ลองเอามือเอานิ้วมือเนี่ยกดกดรูกระบอกข้างบนไว้จะรู้สึกว่ามีอะไรมาดันนิ้วมือนะเมื่อเรายก นิ้วมือขึ้นนิดหน่อยจะรู้สึกว่ามีลมพัดมาที่นิ้วมือเย็นเย็นชิ้วมาเลยสิ่งที่ดันนิ้วหรือว่าที่มันพัดทำให้เราเย็นชิวมานั่นแหละเรียกว่าอากาศธาท้านะอากาศสท้อนะ่าฉะนั้นในที่นี้ท่านก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปริเฉทะลุนะปริเฉ ท, ทรูปเรียกว่าเป็นช่องว่างนะอ่านะนะมาในข้อที่แปด ก็คือวินยัตวินยัตได้แก่กิยาที่ไหวกายและไหววาจาไหวกายหรือไหววาจาพูดง่ายๆก็คือว่ากิยาที่เคลื่อนไหวอ่าทางกายทางวาจาอันเป็นไปในทวาวรทั้งสองในถาวรทั้งสองก็คือหนึ่งกายวินยัตกิยาที่ไหวกายเช่นว่าก้าวไปถอยหลัง อคู้แขนเข้าคู้แขนออกออ่คูแขนเข้าเหยียดแขนออกอซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการแห่งอุปาทิน ก, กะอสังขารทางนั้นหมายถึงว่าสังขารที่มีอ่าจิตใจครองอเราเดินไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังหรือว่าจับนอนจับนี่อะไรอย่างนี้ถือว่ากายวินยัตากายวินยัตคือไหวทางกายเคลื่อนไหวทางกายเราหยิบนอนหยิบนี่อะไรอย่างนี้เี่ยงอมืองอเท้าก้มตัวลง เออเหลียวซ้ายแล็ขวาอะไรไปเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องว่าเป็นกิริยาที่ไหวทางกายนะเรียกว่ากายวินยัตในข้อสองก็คือว่าจีวินยัตกิริยาที่ไหวอไหววาจาพูดง่ายๆก็คือว่ากิริยาที่ทําให้วาจาได้ทําเสียงนะกล่าววาจาทําให้เสียงเล็กก็ได้เสียงใหญ่ก็ได้เสียงสูงเสียงต่ําก็ได้ พูดเป็นภาษาต่างๆได้อย่างนี้แหละเรียกว่าอาวาจีวิญยัตเนะนี่าพูดได้หลายภาษาจะเป็นภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขเมรภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเนี่ยอย่างนี้ถือว่าอาวาจีวิญยัตทั้งนั้นะนะวาวัจีวิญยัตทั้งนั้นมาข้อที่เก้าก็คือวิการหมายเอาอาการต่างๆนะอาการต่างๆงคําว่าวิการเนี่ย คือคือความวิการต่างๆที่มันมีอยู่ในในร่างกายของเรานะในร่างกายของเราท่านแบ่งออกเป็นสามคือหนึ่งรูปัสร ะ, ะหุตานะรูปัสร ะ, ะหุตาความเบาแห่งรูปหรือบางที่ก็อาจจะพูดสั้นๆว่าละหุตาความเบาหมายเอาว่าความ หมายเอาร่างกายของคนที่เบากว่าร่างกายของคนตายนะเพราะว่าในร่างกายของคนเป็นเนี่ยมันมีอาอากาศธาตุอยู่นะแต่พอตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดกันไปมันดับหมดนะมันดับหมดนะอาตีไม่ทำงานแล้วตอนนี้นะไม่ทางานแล้วก็เรียกว่าหนักฉะนั้นบางทีเขาจึงบอกว่าคนตายนี่แม้เวลาไปหามที่เรียกว่าหามผีนี่หนักเหลือเกินนะ คนเป็นเนี่ยบางทีเราคนเดียวเนี่ยเรายกไหวแต่คนตายที่ไม่ไหวหนักมากนี่เรียกเรียกว่าลหุตาก็ได้หรือจะเรียกว่ารูปัสะลหุตาความเบาแห่งรูปนะหมายถึงร่างกายของคนเป็นนะร่างกายของคนเป็นเนี่ยเบากว่าร่างกายของคนตายอย่างที่สองเรียกว่ารูปัสะมุทุตาความอ่อนสลวยสวยงามแห่งรูปหรือจะเรียกว่า มุทุตาอย่างนี้สั้นๆก็ได้มุทุตาแปลว่าความอ่อนสลวยสวยงามหมายเอารูปของคนที่เป็นอยู่โดยที่ไม่ค่อยมีโรคภยครัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะเรียกว่าสามารถที่จะอะคูจะเหยียดได้คล่องแคล่วไม่แข็งกระด้างนะไม่เหมือนกับร่างกายของคนเจ็บรู้สึกว่าแหมหรือว่าคนเฒ่าคนแก่นี่รู้สึกว่ามันแข็งทื่อไปหมดนะ มันไม่กระฉับกระเฉงเวลาจะลุกทีจะเดินทีจะนั่งทีลุกทีก็ขอโทษเอต้องยกก้นขึ้นก่อนอ mm hmm. จะนั่งลงทีก็ต้องเอามือค้ำไปยันก่อน mm hmm. บางครั้งเดินก็จะขึ้นบันไดก็ต้องเกาะคร่าวนี่ต้องเกาะคร่าวบางครั้งก็ขอโทษแตะลุกขึ้นมายืนแล้วก็ต้องมาแอนอยู่อีกนานกว่าจะเดินได้นี่อันนี้รู้สึกว่ามันโรคภัยไข้เจ็บมากนะร่างกายอย่างนี้ไม่ใช่เป็น เป็นเป็นร่างกายของรูปสัมมุทุตาคือไม่อ่อนสลวยแล้วนะแข็งกระด้างดูแล้วไม่สวยงามแต่ว่าคนที่มีร่างกายอสลวยสวยงามนัม้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีร่างกายแข็งแกร่ ง, งพลังจิตใจเข้มแข็งอ่าเรียกว่าไม่ค่อยมีโรคภยัยอ่าจะเดินเถืนจะทํางานอะไรมันก็ฉับกระเชงไปหมดนะนี่อย่างนี้แหละจึงบอกว่า มันแคล้ว ค, คล่องนะแคล้วคล่องยกเท้าเหยียดเท้ายกแขนเหยียดแขนจะเดินไปทางไหนก็ดูแล้วก็มันไม่แข็งกระด้างนะเหมือนกับร่างกายของคนที่เจ็บปวดป่วยไข้มาในข้อที่สามก็คือรูปัสกรัมรมัญญตาความควรแก่การงานแห่งรูปหรือพูดสั้นๆว่ากรมมัญญตา ความควรแก่การงานก็หมายถึงว่าแคล่วคล่องหมายถึงว่าความหมายความว่าที่จะทําอะไรก็ไม่ขัดข้องไม่เคะเขินไม่แข็งกระด้างเหมือนรูปของคนที่เออ่เจ็บหรือรูปของคนที่ตายรู้สึกว่ามันแข็งทื่อไปหมดเป็นหุ่นยนต์ประเภทนั้ น, นแต่ว่าประเภทกรรมญญตาหรือว่ารูปสักกรรมญตานี่เป็นรูปที่ควรแก่การงาน นะแล้วคล่อ ง, องว่องไวจะหยิบอะไรทําอะไรมันก็กระชับกระเฉงดูแล้วมันก็เข้าท่าว่างั้นเถอะนะมันเข้าท่าอืมาในข้อที่สิบนะข้อที่สิบก็คือลักษณะนะลักษณะแปลว่าเครื่องหมายนะลักษณะหมายถึงว่าเครื่องหมายหรือว่ารูปร่างอ่านะรูปร่างลักษณะเนี่ยที่เรามักจะพูด ภัพศัพท์ก็มารูปร่างลักษณะลักษณะนี่เวเครื่องหมายที่มีประจำอยู่ในสังขารนะที่มีประจำอยู่ในสังขารแบ่งออกเป็นสี่คืนหนึ่งอุจจยะความรู้จักเติบโตขึ้นหมายถึงว่าอุปาทินากะสังขารเนี่ยเมื่ออุบัติขึ้นมาก็ยังเด็กยังเล็กยังเยา อต่อมาก็จะเริญเติบโตขึ้นเรื่อยก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นเท่าเป็นแกนี่อย่างนี้แหละเรียกว่าอุจจัยะนะอุจจัยะนี่หมายถึงว่ากวาการเกิดขึ้นอุบัติขึ้นเติบโตขึ้นมนุษย์แรกของเราแน่คลอดมาใหม่ๆก็เป็นเด็กเล็กๆนะแล้วจากเด็กเล็กก็ค่อยๆเติบใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่อลักษณะอย่างนี้แหละย่อมเป็นไปในในสิ่งที่มีชีวิตนะในสิ่งที่มีชีวิต ประการที่สองก็คือสันตติความสืบเนื่องกันหรือว่าความสืบต่อกันนะสันตติความรู้จักสืบเนื่องกันคือสือบเนื่องกันมาเช่นว่าขนเก่าหลุดล่วงไปขนใหม่ก็ขึ้นมาแทนฟันเก่าหลุดไปฟันใหม่ก็ขึ้นมาในลักษณะนี้ย่อมปรากฏแก่สิ่งที่มีชีวิตน ะ, ะปรากฏแก่สิ่งที่มีชีวิตอ หรือแม้แต่ว่าต้นไม้นต้นไม้เนี่ยใบยเก่าหลุดไปใบใหม่ก็ร่วมาเนี่ยต้นไม้นี้ในทางทำก็ถือว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันว่าใบาเก่าหลุดไปใบใหม่ก็อขึ้นมาที่เรียกว่าใบาไม้ผลิใบนหรือดูใบไม้ผลิใบเี่อย่างนี้เรียกว่าสันตตินการสืบต่ออ่เาเขาบอกว่า ไอ้ที่เราไม่ไม่รู้ว่าสังขารมันเป็นอนิจจังเนี่ยก็มันไม่เที่ยงที่เราที่เราไม่รู้ว่าสังขารมันไม่เที่ยงเนี่ยเพราะว่าสันตติมาปิดบงังที่เราไม่รู้ว่าสังขารเป็นทุกข์เนี่ยเพราะอิยาบดมาปิดบงังการที่เราได้เดินเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาเนี่ยลุกเดินยนอนนั่งอะไรเนี่ยทําให้ไม่รู้ว่าสังขารเป็นทุกข์นะ และที่เราไม่รู้ว่าสังขารเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนเนี่ยเพราะคณะสัญญาความสำคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมานี่แหละมันปิดบงังทำให้เราไม่รู้นะทาให้เราไม่รู้เ ร, รเราสังเกตดูสิอย่างพัดลมอย่างนี้มันมีอยู่สามใบเวลามันหยุดเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยเป็นสามใบสามแฉกแต่เวลามันหมุนวัยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นพืชเลยเนี่ยมันสัญ ต, ติความวัย แห่งรูปนะนั่นเนี่อคนไอการเจริญเติบโตของเราเหมือนกันมันเติบโตขึ้นตลอดเวลานะทุกวินาทีแต่ว่าเราไม่รู้แต่พอเราจากกันไปเป็นเดือนเป็นปีเราจะเห็นโอ้ตัวไว้นะแกไว้นะอะไรเราจะพูดกันอย่างนี้เนี่ยผมงอกแล้วอหนังเหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เราจะเห็นชัดเลยแต่ถ้าเราอยู่กันทุกวันทุกวันบางทีเรามองไม่เห็นหรือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองแกเรียกว่า ยังไม่อยากแก่ว่างั้นเถอะนะยังไม่อยากแก่นี่ลักษณะนี้กเ็เรียกว่าเป็นสัสติทีนี้มาในข้อที่สามก็คื อ, อาชาตาความรู้จักสุดลมก็คือย่อมเปลี่ยนแปลงภาวะเดิมาภาวะเดิมไปทุกทีเช่นว่าเป็นเด็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เท่าลงไปตามลำดับแห่งวันคืนล่วงไป อ่าโดยสุดแม้ต้นมากรากไม้ก็ย่อมจะมีการสุดซอมคร่ำคร้าวไปตึกรามบ้านช่องของเรานี่ก็ค่ำคราวไปอีกเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของสังขารนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันเป็นธรรมดาไม่มีใครจะอยู่คขำฟ้านะทุกเสียงทุกอย่างเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพูดถึงอุปาทายรูปนี้เมื่อรวบรวมให้สั้นก็คื อ, อปภาษาทรูปห้าโคจรรูปห้าภาวะรูปสอง ฮาทะยุบฮทะยารูปหนึ่งชีวิตตินเตียรูปหนึ่งอาหารรูปหนึ่งปริเฉทรูปหนึ่งวิญญาตรูปสองวิการรูปสามลักษณะรูปสี่รวมทั้งมหาภูตรูปด้วยก็เป็นยี่สิบเก้าแต่ว่าบางแห่งนับอาโคจารูปเพียงสี่เพราะยกเอาปพถะที่เป็นประเภทเดียวกันกับรูปออกเสียจึงนับได้เพียงยี่สิบแปดเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องรูปสองมาก็พอสมควรกับเวลา ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความตกความสวัสดีขอเจริญพร